สอนให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นใช้ความแก่ให้เป็นประโยชนออ์หรือว่าแม้แต่ของหายของรักของห่วงถูกทำลายไปนะมันเสียไปมันหายไปก็อย่าเอาแต่เศร้าโศกเสียใจใช้ให้เป็นประโยชน์นั่ก็คือเขามาสอนเราเรื่องความพัดพลาดสูญเสียนี่วันนี้ยังดีแค่พัดพรากจากของรักต่อไปจะต้องพัดพลาดจากคนรัก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 หนาวก็ดีเหมือนกันคือนอนไปก็หนาวเป่าเปล่ า, ล, าลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมเดินจงกรมจะได้หายหนาวอยหลวงพ่อคําเขียนท่วงหน้าหนาวนี่สมัยทีเทตมามาอยู่ใหม่ใหมก็อยู่มาหลายปีอ่ะหน้าหนาวนี่ตอนเช้าจะไปหยิบจอบหยิบเสียมมามาทำอะไรมาขุดดินเหนาเหนานี่ขุดดินนี่โอ้ดีนักหลวงพ่อบอกเรียกว่าใช้ความหนาวเป็นประโยชน์ปฏิบัติธรรมได้ดีเงื้อไม่ค่อยออกเลย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 มาทุบตีคือท่านมองนะมองว่ามันมีข้อดีอยู่เขาด่าก็ดีกว่าเขาทุบตีแล้วถ้าเขาทุบตีล่ะจะว่าอย่างไรเอาทุบตีก็ดีเขาเอาก้อนหินมาคว้างแล้วเขาเอาก็อนหินมาคว้างล่ะทำอย่างไรจะว่าอย่างไรเขาเอาก็อนหินมาคว้างก็ดีกว่าเขาเอาไม้มาฟาดแล้วเขาเอาไม้มาฟาดล่ะจะว่าอย่างไรเขาไม้มาฟาดก็ดีกว่าเขามีดมาแทง พระเจ้าก็ถามต่อไปว่าแล้วเขาเอามีดมาแทงจะว่าอย่างไรเอามีดมาแทงก็ติีเขาฆ่าให้ตายอีนนี้พระเจ้าก็เลยถามคำถามสุดท้ายว่าวถ้าเขาเอามีดมาฆ่าให้ตายท่านจะว่าอย่างไรพระคุณ น, น้าก็ตอบว่าคนบางคนอยากตายนี่ต้องไปหาหมีดมาทำร้ายตัวเองหรือต้องไปจ้างคนอื่นมาทาร้ายมาฆ่าแต่นี่ครับพระองค์นี่ไม่ต้องทาเลยมีคนมาทาให้เรียบร้อยน่ะ